ลำดับที่หนึ่งคติธรรมก่อนฟังธรรมชาดกแผ่นที่สองโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีคติธรรมก่อนฟังธรรม MP 3ธรรมชาดกแผ่นที่สองให้คติธรรมว่า เรารักชีวิตเราเช่นใดสัตว์อื่นในโลกนี้ย่อมรักชีวิตเขาเช่นกันอันนี้ตรงตัวอยู่แล้วเรารักชีวิตของเราแต่ละสรพรพสัตว์ทั้งหลายเขาก็รักชีวิตของเขาเหมือนกันขอให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังธรรมชาดกแผ่นที่สองก็คงจะรู้ได้ว่า การเป็นอยู่ของสรัรพพสัตการเป็นอยู่ของพุทธประวัติที่พระพุทธองค์สวยพระชาติในอดีตชาติตลอดถึงพระสาวกที่ท่านาได้เวียนไหวตายเกิดมานับชาตินับพบไม่ถ้วนตลอดถึงหลวงพ่อเองได้นํานิทานหรือเรื่องต่างๆมาเปรียบเทียบ ในกติธรรมชาดกแต่ละเรื่องแต่สรุปลงแล้วชาดกแต่ละเรื่องเมื่อจบลงแล้วหลวงพ่อเขาบอกกล่าวว่าชาดกเรื่องนี้หรือนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนเราไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นตามเรื่องชาดกที่ได้พูดได้กล่าวเพราะนั้นขอให้พวกเราอ่าน ฟังฟังชาดกในเอ3มสทั้งสองแผ่นคือแผ่นหนึ่งและแผ่นสองพวกเราก็คงจะได้ความรู้ เ, เรื่าความาบันเทิงทางด้านจิตใจ เ, เพราะเราได้ฟังชาดกเรื่องต่างๆและก็เป็นเรื่องที่จำได้ง่ายถ้าพูดเป็นธรรมะพวกเราก็จำได้ยากแต่พูดเป็นเรื่องราวและเป็นนิทาน ชาดกพวกเราจะจำได้จะเป็นคติตัวอย่างนำไปแนะนำสั่งสอนลูกหลานเพื่อนให้เป็นคติธรรมให้เป็นคติให้พวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทโดยมากคติธรรมที่สอนในชาดกนี้หลวงพ่อจะเน้นเรื่องศีลธรรมจริยธรรมคุณธรรมในจิตใจแล้วก็มาเปรียบเทียบให้พวกเราท่านทั้งหลาย อย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้ประกอบคุณงามความดีให้เป็นคนดีคิดดีทำดีพูดดีถ้าเราคิดดีทำดีพูดดีแล้วความดีนั้นจะตามสนองพวกเราไปอยู่นส ฐ, ฐานที่ใดมีแต่ความสุขความเจริญทั้งคดีโลกและคดีธรรมเพราะนั้นธรรมชาดกแผ่นที่สองนี้ก็ขอให้มอบให้กับพวกเราท่านทั้งหลายฟังศึกษา ด้วยอำนาจคุณพระศีรัตนไาตรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองขอให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งคดีโลกและคดีธรรมปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศริยธรรมด้วยพุทธานุภาพธรมานุภาพสังคานุภาพด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่ได้บาเพ็ญมาในอดีตชาติ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 ด้วยเธอ